เรื่องภิกษุสำรอกอาหารสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยเคี้ยวเอื้องท่านสำรอกอาหารออกมาเคี้ยวแล้วกลืนเข้าไปอีกภิกษุทั้งหลายตำหนิประนามโพนทนาว่าภิกษุนี้ฉันอาหารในเวลาวิการ แล้วนำเรื่องไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เพิ่งจุติมาจากกําเนิดโคภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้มีนิสัยเคี้ยวเอื้องเคี้ยวเอื้องได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุ ไม่พึงกลืนอาหารที่ออกมานอกปากแล้วเข้าไปอีกรูปใดกลืนพึงปรับอาบัตตามธรรมสมัยนั้นสมาคมหนึ่งได้จัดสังขพัฒมีเมล็ดข้าวตกกลาดเกลือนในโรงอาหารมากมายคนทั้งหลายตำหนิประนามพลทนาว่าชไหน พวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรเมื่อเขาถวายข้าวสุกจึงไม่รับโดยเอื้อเฟือเล่าข้าวแต่ละเมล็ดกว่าจะสำเร็จได้ต้องใช้กรร ม, มวิธีนับร้อยภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตำหนิประนามพนธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้หยิบอาหารที่เขาถวายซึ่งตกลงไปขึ้นมาฉันได้เองอาหารนั้นพวกทายกเขาบริจาคแล้ว